วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช 2,557 ้าห้าสิบเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่พวกเราถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของพวกเราถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราในปีใหม่นี้เป็นชีวิตใหม่เราก็ต้องมีการกระทำที่ใหม่จากเก่า ถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราดีกว่าเก่าเราก็ต้องมีการกระทำที่ดีกว่าเก่าเพราะการกระทำนี้เป็นเหตุที่จะทำให้มีผลดีต่างๆหรือผลไม่ดีต่างๆตามมาขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่กับใครทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับดวงชะตาไม่ได้อยู่กับ เทวาดาอินพรมทั้งหลายอยู่ที่การกระทําของเราพระพุทธศาสนาสอนว่ากรรมเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมนี้ก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี กรรมดีก็เรียกว่าบุญกุศลกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบาปอากุศลถ้าทากรรมดีทำบุญผลดีก็จะตามมาคือความสุขความเจริญของจิตใจถ้าทำบาปทาไม่ดีผลไม่ดีก็จะตามมาแก่จิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้พวกเราอยู่ดูที่เหตุเป็นหลักเหตุก็คือการกระทำของเราทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามนโนกรรมเมื่อได้ทำกรรมเหล่านี้แล้วผลก็จะต้องเกิดมาทันทีผู้ที่ทำกรรมที่แท้จริงก็คือใจ ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของการกระทำที่ที่ใจได้สั่งให้ร่างกายทำและให้ร่างกายพูดผลตกอยู่ที่ใจผลที่ร่างกายนี้เป็นผลข้างเคียงหรือเป็นผลพลอยได้เป็นผลส่วนย่อย ผลส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ใจคือความสุขความทุกข์ของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าหนักหนาสาหัสกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายและผลที่เกิดที่ทําให้เกิดความสุขความทุกข์ทางใจก็เกิดจากการกระทําของใจผ่านทางร่างกายและผ่านทางวาจานี่เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความสุขความสบายปราศจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาด นี่คือการกระทาที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นถ้าปีใหม่นี้เราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเก่าเราก็ต้องทำบุญให้มากกว่าเก่าละบาปให้มากกว่าเก่าชำระใจให้มากกว่าเก่าเพราะนี่เป็นเหตุที่จะทำให้ความสุขมีเพิ่มมากขึ้น ความเจริญมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์มีน้อยลงไปความเสื่อมมีน้อยลงไปนี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขและความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องหมั่นทําบุญให้มีมากขึ้นหมั่นละ บ, บาป ให้มากขึ้นและหมั่นชำระใจให้มากขึ้นเพราะนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญไม่มีทางอื่นไม่มีใครที่จะมาเสกมาเป่าให้เราได้รับความสุขความเจริญแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเสกเป่าให้พวกเรา จเจริญน่่งเรืองมีแต่ความสุขให้พวกเราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยการเสกด้วยการเป่าพระพุทธเจ้าทรงทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือชี้บอกทางที่จะนำพาเราไปสู่มรรคผลผนิพพานนำพาเราไปสู่ความสุขความจเจริญ น, นำพาเราไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ และของการเวียนว่าตายเกิดเท่านั้นพระพุทธเจ้าทําได้เพียงเท่านี้แต่ก็เป็นสิ่งที่วิเศษมากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ทางที่จะนําพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตรัสรู้ มาสอนความจริง น, นี้ให้กับพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะได้ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นคำสอนที่มหาจรรย์อย่างยิ่งที่สามารถทำให้สัตว์โลก ผู้หลงเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ได้หลุดออกมาได้ได้พบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงได้ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยความจริงจังจริงใจ ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถได้ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้อย่างแน่นอนเพราะปรากฏมีผู้ที่ได้น้อมเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกมีกันเป็นจํานวนมากมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการ มาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการิโก้นั่นเองคือไม่มีวันหมดสภาพความไม่หมดสมบัติภาพประสิทธิภาพผู้ที่น้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติย่อมได้ผลทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดอยู่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้า ก็บรรลุมากผลนิพพานได้อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ยุคนี้ก็บรรลุมากผลนิพพานได้เพราะว่าความจริงนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสัจธรรมความจริงที่ทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความหลงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจริงอย่างไรในสมัยพระปฎกการ ก็จริงอย่างนั้นในสมัยนี้เช่นควาว่าอาริยสัจสี่นี้จริงในสมัยพระพุทธการก็ยังจริงอยู่ในสมัยนี้คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากสมุ ท, ทยัยสมะสมุทัยคืออะไร ก, ก็คือต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์มีอะไรบ้าง ก็มีกาม m a t หาภาวะ tân หาวิภวะ tân หากาม m a t â หาก็คือความอยากในรูปเสียงเิ่งนสดอยากในกามคุณทั้งห้าภาวะ tân หาก็คือความอยากมีอยากเป็นวิภาวะ tân หาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าผู้ใดมีตั n หาเหล่านี้อยู่ภายในใจผู้นั้นก็จะต้อง พบกับความทุกข์ความทุกข์ก็มีตั้งแต่ขั้นเริ่มเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะอยู่ไม่เป็นปกติสุขเช่นคนอยากจะดื่มสุราคนอยากจะสูบบุหรี่คนอยากจะไปเที่ยวพอเกิดความอยากแล้วให้อยู่เฉยๆก็จะไม่มีความสุขจะทนอยู่ไม่ได้ จะต้องเิ่นไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วถ้าหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกรุนแรงขึ้นกว่าเก่าถ้าได้ก็ระ ง, งับความทุกข์ความหงุดหงิดไว้ชั่วคราวแล้วต่อไปไม่นานความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตาย เป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันหมดเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสร้อยล่าว่าตันหาความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ตันหาความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีวันหมดนอกจากที่เราต้องหยุดมันเท่านั้นมันถึงจะหมดได้ ถ้าเราอยากจะหยุดปัญหาทั้งสามนี้เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่ทรงตัดไว้ว่ามรคนี้เองมรคนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆภายในใจของพวกเราได้มรคนี้ก็ทรงแสดงไว้หลายลักษณะด้วยกันถ้าทรางแสดงให้กับนักบวชท่านก็ทรงแสดงมรที่มีองค์แปด เช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรไปจนถึงสัมมาส ม, มาธิถ้าแสดงให้กับขาววาาผู้คองเรือนก็แสดงเป็นทานศีลภาวนาซึ่งเป็นมรรคเหมือนกันรายละเอียดก็เหมือนกันมีเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งก็คือทาน ทานนี้ที่ ต, ต้องสอนให้กับคารวะก็เพราะว่าคารวะยังมีของมากมายที่จะถ่วงความเจริญของมรคนั่นเองถ้ายัางไม่ให้ฐานยังไม่สละของต่างๆที่คอยเหนี่ยวรัง้งไม่ให้ได้ออกไปเจริญมรคองคอื่นเช่นสมาธิปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะกําจัด ความอยากต่างๆภายในใจได้แต่สำหรับนักบวชนี้ท่านได้ทำทานแล้วให้ไปหมดแล้วของต่างๆที่ท่านเคยมีเป็นเจ้าของอยู่ท่านได้สละไปหมดแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่จะมาเหนี่ยวรังการปฏิบัติการเจริญมรรคที่จะเอาไปทำลาย ความอยากต่างๆดังนั้นมักสำหรับคารวะก็เลยต้องเป็นทานศีลภาวนาภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนคือสมาธิและปัญญาสมถะ ภ, ภาวนาก็เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่าปัญญาสรุปแล้วก็คือมักแปด โดยที่มีอีกข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือทานถ้าผู้ใดไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วผู้นั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําทานต่อไปทานนี้มีไว้สําหรับให้เราสละสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับภาระที่เราต้องแบกไว้ถ้าเราต้องเดินทางไกลแล้วเรามีสัมภาระต่างๆพลุงพลัง ที่ไม่จําเป็นต่อการเดินทางเราแบกไปก็จะเหนื่อยไปเปล่าเช่นถ้าเราไปเดินป่าเราเอาเก้าอี้ไปด้วยเอาเตียงไปด้วยขนของต่างๆไปกับเราเราก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะเราจะไม่มีกําลังที่จะแบกของต่างๆและเดินทางไปได้ดังนั้นเราต้องสลัด ของ ต, งต่างๆที่ไม่จําเป็นต่อการบําเพ็ญมรรคต่อการเจริญมรรคให้หมดไปอย่าไปมีอะไรให้มาต้องกลายเป็นภาระทางจิตใจเป็นการเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้สามารถออกไปบําเพ็ญได้อย่างเต็มรูปแบบนักบวชทั้งหลายจึงไม่มีสมบัติเข้าของเงินทอง นักบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในสมัยพระพุทธการหรือในสมัยปัจจุบันก็นักบวชสายของหลวงปู่มันนี้เป็นตัวอย่างท่านก็เอาแบบฉบับของนักบวชในสมัยพระพุทธการมาเป็นตัวอย่างมาเป็นสรณะแบบเป็นแบบฉบับสังฆังสระนังกฉามิพระสงฆ์ในสมัยพระพุทธการท่านมีอะไรบ้าง พระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านก็มีอย่างนั้นก็มีอะไรก็มีเพียงอัฏฐบริขารก็คือของใช้แปดชิ้นที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของนักบวชนั่นเองเช่นบาตรผ้าใจจีวรที่ประกบเอลใบมิโกรนเข็นกับได้ที่กรองน้ำ นี่คือสมบัติหรือเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของนักบวนท่านไม่มีมากไปกว่านั้นที่พักอาศัยถ้าไม่มีกุติไม่มีที่เขาสร้างให้อยู่ท่านก็หาอยู่กันตามป่าตามถ้ำตามโคนไม้ตามเรือนร้างผ้าถ้าไม่มีใครถวาย ท่นก็หาผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะตามป่าช้าแล้วก็เก็บมาเย็บมาปะมัดต่อกันให้เป็นผืนใหญ่แล้วก็ซักย้อมด้วยน้ําฝาดคือน้ําที่ต้มด้วยแก่นไม้ก็จะได้ผ้าสีกาวพัชสีกาสาวพัชขึ้นมาเป็นสีเหลือง นี่คือสมบัติของนักบวชผู้ที่มุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายท่านจะไม่ให้มีอะไรมาเหนี่ยวรั้งมาเป็นอุปสรรคขวางการบำเพ็ญของการปฏิบัติมรติที่มีองค์แนี้เลยเพราะมรตินี้เท่านั้นที่จะมีกำลัง ที่จะสามารถทำลายความอยากทั้งสามที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าเรายังเป็นขาราวา่าเรายังเป็นผู้ครองเรือนยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เราก็ต้องหาวิธีจัดการกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหล่านี้เพื่อไม่ให้เขามาเป็นภาระ มาถ่วงการปฏิบัติของเราจะเก็บไว้ก็ได้สมัยนี้เขามีที่ฝากที่เก็บไว้ได้ถ้าเรายังคิดว่าเราอาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เขาอยู่ในอนาคตหรือในปัจจุบันแต่เราอย่าให้เขามาเป็นอุปสรรคมาทำให้เราต้องเสียเวลากับการบาเพ็ญของเราก็แล้วกันขอให้เรามีเวลาบาเพ็ญ ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่ตื่นขอให้เราได้มีโอกาสได้เจริญสัมมาสติคือมีการดึงจิตใจให้ยับยั้งหยุดคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้ใจของเราสับแต่ว่ารู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่น เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือร่างกายนี้เองเพราะว่าใจนี้อยู่ติดกับร่างกายแล้วการกระทาต่างๆของร่างกายก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะต้องคอยรับรู้อยู่ทุกเวลานาทีถ้าใจได้จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหว กับการกระทําต่างๆของร่างกายโดยที่ไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องต่างๆใจก็จะมีสติใจก็จะนิ่งจะไม่ลอยไปลอยมาแล้วเวลาที่มานั่งขัดสมาธิหลับตามาดูลมหายใจเข้าออกหรือมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความนิ่งเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุบเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงไม่มีความอยากทั้งหลายอันนี้เป็นการหยุดความอยากชั่วข้าวด้วยอํานาจของสติใ้สติหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะความอยากนี้จะต้องมีความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าไม่คิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าจะอยากกับอะไรแต่พอคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากกับเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทันทีอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้ พอเกิดความอยากแล้วก็เกิดความว่าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาภายในใจแล้วก็จะทำให้จะต้องไปทาสิ่งต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจถึงแม้ว่าจะไปดูแลรักษาสิ่งต่างๆได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมากำจัดความอยากต่างๆภายในใจได้ ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ดังั้นการที่เราไปทำอะไรตามความอยากต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการกำจัดความอยากต่างๆภายในใจนี้จึงเป็นการกระทำที่เสียเวลาไปเปล่าๆทำไปแล้วก็เท่านั้นทำจบแล้วมันก็เท่านั้นความอยากภายในใจก็ยังไม่หดไม่หายไปไหน ความทุกข์ภายในใจก็ยังไม่หายไปไหนนี่คือการกระทําที่ไร้อยประโยชน์สําหรับจิตใจถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําที่มีความเมตตากรุณาก็ตามสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้สําเร็จงานของตนยังไม่ได้กําจัดความอยากต่างๆทั้งหลายภายในใจให้หมดไปการไปทํางานต่างๆเหล่านี้จะเป็น ปุปปัสสัจะไม่จะทำให้ไม่มีเวลามาทำงานของตนคือการกำจัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆด้วยการเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรนี่คืองานที่เราควรจะให้ความสำคัญมากกว่างานทั้งหมดในโลกนี้ถ้าเราเป็นผู้ปรารถนาะต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ เราต้องมาเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรประก็คือสติสมาธิปัญญานี้เองถ้าเราไปทำงานอย่างอื่นถึงแม้จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเป็นประโยชน์ที่ไม่ถาวรเช่นเราไปช่วยสร้างบ้านสร้างเรือน หรือหาข้าวหาของหาสิ่งต่างๆอะไรไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนซึ่งเป็นการกระทาที่ดีไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราไม่ได้มาทำงานของเราแล้วเวลาของเรามันก็จะหดลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไปทำกับงานต่างๆภายนอกใจ แล้วเกิดการผูกพันเกิดการทำอย่างต่อเนื่องพอหมดงานนี้ก็มีผู้อื่นมาเสนองานใหม่มาให้ทำมันก็จะติดพันกันไปแล้วก็จะไม่กล้าปฏิเสธพราะด้วยความเมตตาด้วยความการุณาพอใครเดือดร้อนใครมาขอให้ช่วยเหลือพอช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเหลือเขาไป เลยทาให้ลืมงานของตนเองแทนที่จะมาช่วยตนเองกลับไปช่วยคนอื่นแล้วก็เป็นการช่วยเหลือที่เป็นของชั่วคราวช่วยเหลือเรื่องของทางร่างกายนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเพราะร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปแล้วการช่วยเหลือที่เราได้ทําให้กับร่างกายมันก็หมดสภาพไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ จะเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินต่างๆไปนอกจากจะช่วยด้วยการให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทนเราเรามีทรัพย์เราก็มอบให้เขาไปส่วนเราเราเข้าไปอยู่ในป่าอยู่ในเขาไปภาวนาของเราไปเจริญสติไปเจริญสมาธิไปเจริญปัญญาขอให้เราอย่าลืมงานของเรา งานของเราก็คือการเจริญมรคนี้เองพระพรพุทธเจ้าทรงตัดว่ามรคนี้ต้องเจริญให้มากตถาคตได้เจริญแล้วใ น, ในอริยาาสัจสี่นี้มีเกิจที่พึงกระทาอยู่สี่ข้อด้วยกันทุกทรงให้กำหนดรู้ก็คือให้ศึกษาให้รู้ว่าทุกนิมมันอยู่ตรงไหน ทุก็อยู่ที่การเกิดอยู่ที่การแกร่การเจ็บการตายอยู่ที่การพัดพรากจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากสิ่งต่างๆที่เรารักไปถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็อยากเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองหรือสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบ ที่จะต้องพัดภาคจากเราไปนี่คือ ท, ท, ที่บอกให้ให้เรารู้จักที่ว่าที่เป็นภัยสำหรับจิตใจอยู่ตรงไหนเหมือนกับภัยของร่างกายอยู่ตรงไหนก็อยู่ในป่าเช่นคนไม่กล้าเข้าป่ากันเพราะกลัวเสือกลัวงูกันหรือว่าไม่กล้าเข้าป่าช้ากันเพราะกลัวผีกันนี่คือภัยของร่างกาย แต่ภัยของใจคือทุกนี้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนแล้วว่าอยู่ที่การเกิดอยู่ที่การแก่อยู่ที่การเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่การตายอยู่ที่การพัดพลาดจากสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่รักที่ชอบไปโดยสรุปแล้วก็ทรงตรัสว่าอยู่ที่อุปทานในขันหานี้เองอุปทานในขันห้า ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราซึ่งเป็นความหลงนี่เราต้องศึกษาให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปหาก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มากมายกายกองมีบุคคลมากมายกายกองที่เราไปผูกพันติดอยู่ด้วยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเป็นอนิจจังเขาเป็นของชั่วคราว <c oughs> เขามีเกิดแล้วมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปรักไปชอบเวลาที่เขาดับไปเวลาที่เขาจากเราไปก็จะเป็นเวลาที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรา นี่คือทุกข์ที่จะต้องกําหนดรู้เพราะพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดรู้แล้วรู้แล้วว่าต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถึงจะหมดพ้นจากความทุกข์ได้ทรงพบความจริงว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น <c oughs> ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ถึงแม้จะเกิดในฐานะสถานภาพที่ ดีที่สูงที่ร่ำที่รวยเป็นเทพเป็นพรมก็ยังต้องพบกับความเสื่อมของสถานภาพเหล่านั้นไปนี่คือทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้ที่ต้องศึกษาตถาคตได้กำหนดดูแล้วได้ศึกษาแล้วแล้วก็สองพิจารงานชิ้นที่สองว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้มาจากอะไร การมาเกิดนี่เกิดจากอะไรก็ทรงพิจารณาเห็นว่าก็เกิดจากตัณหาทั้งสามนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทาให้เราอยากมีละตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายก็ต้องไปเกิดความอยากมีอยากเป็นก็เช่นเดียวกันอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงาม ของเหล่านี้ก็จะทำให้ใจต้องดิ้นรนไปหาร่างกายไปเกิดวิภวตัณหาคืออะไรความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองพอได้ร่างกายมาแล้วก็อยากจะอยู่ไปอย่างถาวรไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอมีความอยากทั้งสามเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็จะเหมือนกับการจุดไฟเผา จิตใจนี่ถ้าเป็นถ้าใจเป็นบ้านก็เหมือนกับจุดไฟเผาบ้านถ้าไฟไหม้บ้านนี้คนอยู่ในบ้านนี้อยู่อย่างสุขอย่างสบายหรือไม่นี่คือต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากถ้าไม่กําจัดความอยากมันก็จะลิ้นไปหาร่างกายดื่นไปเกิดพอเกิดแล้วก็ดิ่นไปหาลาบยศสรรเสริญดิ่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐา พอได้ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกยลิ่นรสผลทพะมันก็ดิ้่งอยู่กับการรักษาปกป้องรักษาไว้แต่มันก็สู้ความจริงไม่ได้ความจริงก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้นี่คือปัญหาที่ต้องละ ตถาคตได้ละแล้วนี่คือกิจที่ผู้ที่จ่ำการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องทําจิตข้อที่สามก็คือนิโรธคือการสิ้นสุดของความทุกข์ต้องทําให้แจง้งต้องทําให้ปรากฏขึ้นมาการจะทําทให้นิโรธปรากฏให้แจ้งขึ้นมาก็ต้องละตันหาทั้งสานี้และการที่จะละตันหาทั้งสามนี้ก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือก็คือมรที่มีองศาหรือทานศีลภาวนานี้เองถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ก็จะไม่สามารถที่จะละได้เช่นถ้าเราอยากจะไปตกปลาถ้าเราไม่มีเบ็ดเราก็จะไม่สามารถตกปลาได้เอามือไปจับปลาจับไปจนมันตายก็จับไม่ได้สักตัวหนึ่งเราต้องมีเครื่องมือถ้าเราต้องการละตันหา คือสมุทัยที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจเราก็ต้องมีมรรคที่มีองค์แปดหรือมีทานศีลภาวนาดังนั้นงานของเราจึงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ทานศีลภาวนาหรืออยู่ที่การทำบุญละบาปชาระใจให้สะอาดทำบุญก็ทานละบาปก็ศีลภาวนาก็คือการชาระใจให้สะอาดบริสุท นี่แหละถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมมีความทุกข์น้อยกว่าเดิมน้อยน้อยกว่าปีที่แล้วเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติของเราให้เพิ่มมากขึ้นไปทําทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นเช่นถ้าเราเคยทําวันละชั่วโมง เราก็ต้องเพิ่มเป็นสองชั่วโมงรักษาศีลถ้ารักษาได้อาทิตย์ละวันสองวันก็เพิ่มขึ้นเป็นสามวันสี่วันทาทานถ้าทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ทำเพิ่มเป็นสามสี่ครั้งหรือสี่ห้าครั้งหรือถ้าจะมองในสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่ก็ได้เช่นตอนนี้เราทำทานร้อยละสิบเราก็เป็นเพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบ เรารักษาศีลได้ร้อยละสิบของเวลาที่เราตื่นเราก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละยี่สิบเราภาวนาได้ร้อยละสิบของเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี้เราก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ผลักดันตัวเองถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้เราก็จะยืนอยู่กับที่เพราะโดยธรรมชาติของใจนี้ จะถูกกิเลสคอยเหนี่ยวรั้งเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเพราะใจนี้อยู่ภายใต้การเหนี่ยวรั้งของกิเลสมาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าต้องการที่จะหลุดออกจากการเหนี่ยวรั้งของกิเลสนี้เราจึงต้องตั้งเป้าเอาไว้การตั้งเป้านี้ก็คือการอธิษฐานนี่เองการอธิษฐานในทางธรรมนี้ ไม่ได้แปลว่าการขอไม่ได้ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ได้บรร ล, ลุมรรคผลนิพพานขอไปจะวัน ต, ตายก็จะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราขอนั่นเองเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราขอก็คือการกระทำดังนั้นเราต้องอธิษฐานที่การกระทำไม่ใช่อธิษฐานที่ผลที่เกิดจากการกระทำ เราต้องอธิษฐานว่าปีนี้จะทำบุญให้เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปีที่แล้วเอนปีที่แล้วทำทานร้อยลสิบก็จะเพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบรักษาศีลได้ร้อยละสิก็จะเพิ่มเป็นร้อยะยี่สิบภาวนาได้ร้อยละสิก็เพิ่มเป็นร้อยะยี่สิบนี่คือการตั้งเป้ากำหนดขอบเขตของการบำเพ็ญของเราเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจ จริงจังกับการตั้งเป้าไม่ใช่ตั้งไปก็โก้ๆพอถึงเวลาก็ร้อยละสิเหมือนเดิมทานก็ยังร้อยละสิบหรือดีไม่ดีลดหรือร้อยละห้าถ้าอย่างนี้ตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราตั้งแล้วก็เหมือนกับเราให้คํา ม, มั่นสัญญากับตัวเราเองหรือให้คํา ม, มั่นสัญญาแก่ผู้อื่นถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจเราก็จะโลเลเราก็จะเบี้ยว แล้วเราก็จะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราควรจะทําดังนั้นเราต้องมีอธิษฐานและมีสัจจะอย่างที่พระเจ้าทรงมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีทรงให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนหกตอนที่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพทรงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไป จนกว่าจะตัดสรู้ตนกว่าจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้ายังไม่หลุดพ้นก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันเหือดแห้งไปจะไม่ลุกขึ้นโดยเด็ดขาดถ้าตาบใดยังไม่ได้ตัดสรู้พระอนุตตลักษม์มาสัมโพธิญาณ นี่คือเรื่องของสัจจะกับอธิษฐานที่พวกเราควรที่จะเจริญกันให้มากๆเพราะเป็นตัวที่จะฉุดลากการปฏิบัติของเราให้คืบหน้าให้ก้าวหน้าได้ถ้าเราไม่มีอธิษฐานไม่มีสัจจะเช่นปีใหม่นี้อยากจะได้สิ่งนุ้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแต่ไม่มีอธิษฐานสัจจะ ที่จะทำเหตุที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาดั้งก็อยากไปเฉยๆก็ไม่ได้อะไรมันก็จะได้แบบตามบุญตามกรรมไปถ้าเป็นวาระของบุญเก่าที่เราทำไว้เราก็อาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นวาลขของกรรมของบาปส่งผลมันก็จะให้เราได้รับสิ่งที่เลวกว่าเดิมก็ได้ ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมอยู่เหนือบุญเหนือกรรมเราต้องเป็นผู้ขับชีวิตของเราอย่าปล่อยให้บุญให้บาปผลักดันชีวิตของเราให้เรามีอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นผู้ผลักดันดีกว่าให้เราตั้งอธิษฐานสัจจะไว้ว่าจะทําอะไรที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรา แล้วเราก็จะฟันฝ่ากฎแห่งกรรมไปได้อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้ท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปบงการจิตใจของท่านได้อีกต่อไปเพราะใจของท่านได้หลุดพ้นจากบ่วงของกรรมนี้เองท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นที่ไม่มี กดแห่งกรรมจะเข้าไปถึงได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณมีประโยชน์ที่จะให้ความสุขดับความทุกข์ทั้งหลายให้กับเราได้เท่ากับพระนิพพานดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่ยอย่างวันนี้เราต้องตั้งเป้าเอาไว้ว่า เป้าหมายของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรืออีกกี่ชาติข้างหน้าก็ตามเราจะเดินไปสู่พระนิพพานเป็นอย่างเดียวและการที่จะเดินไปสู่พระนิพพานได้นี้เราก็ต้องเจริญมรรคนี้เองมรรคก็แปลว่าทางทางสู่พระนิพพานก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญา สัมมากรรมโตสัมมาวาจาก็คือศีลเถอสัมมาอาชีโวก็คือศีลเถอสัมมาอาชีพสัมมาวายาโมคือความเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือสมาธินี่เองรวมกันแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะมีเครื่องมือ ที่เราจะได้เอามาต่อสู้กับความอยากต่างๆได้แล้วความอยากต่างๆก็จะต้องแพ้เครื่องมือของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ที่มีเครื่องมือเหล่านี้มาก่อนได้ชนะมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาในการต่อสู้กับตันหาในการทำลายตันหาต่างๆให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์ พระอาลานตัสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้มาทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจของท่านพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วนิโรยก็จะปรากฏขึ้นมา ทำนิโรธให้แจ้งคือการสิ้นสุดของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่มีตัณหาก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไปนี่แหละคืองานที่เป็นงานที่แท้จริงของพวกเราทุกคนเพราะว่าพวกเราทุกคนต้องการความสุขกันต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์กัน ไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์มีแต่อยากจะเจอความสุขแต่การแสวงหาความสุขกับการดับความทุกข์ของพวกเหล่านี้มันเป็นกลับตาลปัดไปแทนที่จะเป็นการหาความสุขกับเป็นการหาความทุกข์แทนที่จะดับความทุกข์กับเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเราถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ เป็นสิ่งที่จะให้เรามีความสุขเป็นสิ่งที่จะกาจัดความทุกข์ภายในใจของเราได้นั่นเองแต่เราก็ทำกันมาแล้วในทุกรูปแบบบางท่านอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องหาสามีหาภรรยาอยู่พอมีสามีมีภรรยาแล้วความทุกข์หมดไปหรือเปล่าความสุขมีตลอดเวลาหรือเปล่ามันก็เหมือนกันเหมือนกับตอนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยา หรือมันอาจจะทุกข์มากกว่าตอนที่ไม่มีเสียได้ซ้ําไปตอนไม่มีก็ทุกข์กับความเหงาว่าเหวยอยู่คนเดียวท่านนั้นเองแต่พอมีสามีมีภรรยาแล้วทีนี้ก็ต้องมาทุกข์กับเขาแล้วเพราะเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแล้วบางทีก็จากเราไปเฉยๆโดยที่เราไม่รู้ไม่ทันรู้สึกตัวอันนี้เป็นเรื่อง ของอนิจจังเราไม่มองมองไม่เห็นกันเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเอามาใช้แก้ความทุกข์ของพวกเหล่านี้มันเป็นของชั่วข่าวมันไม่ใช่เป็นของที่จะแก้ความทุกข์ของเราได้อย่างถาวรเพราะเขามีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นถ้าเรายังใช้วิธีการหา สิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นวิธีสร้างความสุขและดับความทุกข์ให้กับพวกเราเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จแทนที่ความสุขจะมากขึ้นความสุขกลับน้อยลงไปแทนที่ความทุกข์จะน้อยลงไปกลับมีความทุกข์เพิ่มมาขึ้นไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มายินได้ยินได้ฟังพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะทุกข์อยู่กับการ ดับทุกนี่แหละดับทุกด์ดยการเอาไฟมาเผาเราแทนที่จะเอาน้ำมาดับไฟในในใจของเราเรากลับไปเอาไฟมาสมใจของเราให้มันลุกมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนี่แหละเป็นการดับความทุกข์ของพวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ภายในใจของเรา ได้อย่างถูกต้องตอนนี้เราโชคดีเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับวิธีดับความทุกข์อย่างถาวรแล้วอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละที่จะต้องเป็นผู้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราผู้อื่นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ให้กับเราได้พ่อแม่ทำให้เราไม่ได้ สามีภรรยาทำให้แก่กันและกันไม่ได้บุตรธิดาทำให้ไม่ได้กับพ่อแม่พเพื่อนฝูงก็ทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตส า, าวกก็ทำให้เราไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นที่เราจะต้องทำทาเองด้วยการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องหมั่นศึกษา มันฟังเทศฟังธรรมฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่บ่อยๆแล้วการเข้าใจก็จะกว้างขึ้นลึกขึ้นจะเห็นภาพชัดขึ้นฟังหนเดียวนี้บางทีมันไม่ชัดเจนก็ต้องฟังหลายหนเวลาที่เราไปสอบถามขอทางถามทางผู้อื่นเวลาเขาบอกครัง้งแรกบางทีเราก็ตามไม่ทันบางทีเราก็ต้องถามเขาว่าไหนช่วยบอกอีกทีสิบอกช้าๆหน่อย อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติการเจริญมรรคนี้มีรายละเอียดมากที่จะต้องใช้เวลาศึกษามากแต่ไม่จำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเราสามารถปฏิบัติไปควบคู่กับการศึกษาได้เราเข้าใจส่วนไหนเราก็ทำส่วนนั้นไปส่วนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ศึกษาต่อไปเพราะการปฏิบัติมันมีหลายขั้นหลายตอน มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้ทุกขั้นทุกตอนในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติขั้นแรกของการเริ่มปฏิบัติก็ขอให้เรารู้ขั้นต้นว่าจะต้องทําอย่างไรให้เรารู้ว่าเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่หวงไม่ยึดไม่ติดไม่มีมากเกินไปไม่อยากได้ทรัพย์ต่างๆมาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขอยากได้ทรัพย์เพียงแต่เพื่อมาดูแลรักษาอัตภาพ ชีวิตร่างกายของเราเท่านั้นถ้ามีมากเกินความจําเป็นก็ให้แบ่งปันไปถ้ามีมีไม่มีไม่มากมีพอดีก็ไม่ต้องแบ่งให้กับใครเพราะเราต้องเก็บเอาไว้สําหรับการดูแลชีวิตร่างกายของเราแล้วก็ไม่ต้องไปเด้นหาเงินทองเพื่อที่จะมาทําบุญบุญแบบนี้สู้กับการไปทําบุญอย่างอื่นไม่ได้ ไปรักษาศีลจะดีกว่าไปภาวนาจะได้บุญมากกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานก็เป็นเหมือนธนบัตรใบละห้าสิบใบละยี่สิบเนีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็เหมือนธนบัตรใบละร้อยเนี่ยทไมเราจะกลับไปหาธนบัตรใบละยี่สิบใบละสิบบาททําไมในเมื่อเราสามารถที่จะหาธนบัตรใบละร้อยได้ เราก็ไปหาธนาบัตรใบละร้อยก็คือไปรักษาสี่ดีกว่าถ้าอยากได้ธนบัตรใบละห้าร้อยใบละพันก็ไปภาวนาดีกว่าจะได้บุญมากกว่ากับจากการที่ไปหาเงินหาทองมาทำบุญทำทานแล้วเราก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนจะไม่ได้เป็นเศรษฐีได้มาก็ต้องเอาไปให้เขาอยู่ดีเพราะฉะนั้น เราต้องศึกษาแล้วต้องพยายามปฏิบัติไปตรงไหนไม่เข้าใจก็ต้องเข้าหาผู้รู้สอบถามได้ในมงคลสูตรท่านก็ตอดไว้แล้วว่าการเลนะทรมัสสกัจฉาเอตมังกลมุตตมังการสนทนารมเป็นมงคลอย่างยิ่งหรือการกาเลนะรรมัชวนังเอตมังกลมุตตะมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเราก็จะสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังถ้าเราหมั่นฟังบ่อยๆฟังซ้ําอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วก็จะกําจัดความสงสัยให้หมดไปได้ทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องให้เรารู้ว่า วิธีกำจัดความทุกข์ที่แท้จริงนี้กำจัดด้วยวิธีใดนี่คือความเห็นที่ถูกต้องกำจัดด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่กำจัดด้วยการหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีกำจัดความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเราฟังเทศอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจ มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับความสงบความผ่องใสจากการฟังเทศฟังธรรมจะทําให้เรามีกําลังจิตกําลังใจที่จะบําเพ็ญปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบความผ่องใสมากขึ้นและนานขึ้นไปตามลําดับนี่แหละคือเรื่องของความเรื่องของความเป็นสิริมงคลที่พวกเราสแสวงหากันในวันขึ้นปีใหม่นี้พวกเราทุกคนสแสวงหาความสุขความเจริญ หาพรจากพระกันแต่พรที่เราได้รับนั้นไม่ได้เป็นพรที่แท้จริงเป็นเพียงการแสดงความปราถนาดีเท่นเวลาพระสวดอายุวันโนสุ ข, ขังพลังเนี่ยก็เพียงแต่ท่านบอกว่าเขาให้ท่านทั้งหลายมีเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละเท่า น, นั้นเองแต่ท่านจะเจริญหรือไม่เจริญนี้เราไม่เกี่ยวท่านจะเจริญไม่เจริญนี่อยู่ที่ตัวท่าน ถ้าท่านอยากจะเจริญท่านก็ต้องเจริญด้วยทานศีลภาวนานี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะทําในวันเริ่มต้นของปีใหม่นี้ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานว่าปีนี้จะต้องเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วจะดีกว่าปีที่แล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติทานศีลภาวนาและอยู่ที่การทําบุญละบาปทาระใจของเรานี้เองดังนั้น ขอให้เราตั้งเป้าไว้ตรงนี้ว่าปีนี้จะปฏิบัติให้เพิ่มให้มากขึ้นทำทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำได้เต็มร้อยก็รับรองได้ปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของชีวิตนี้ของชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้ก็คิดว่าเวลาแสดงก็เห็นว่าพอสมควรก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนางอุปกาปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิชฉาตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามานิโชติ ราโสยทถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภาวะอภพวาธนศีริสะนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลาง อ่าเข้ามาได้มีอะไรเลยเข้ามาด้านในครับมีอะไรหรือเปล่อ า, อ, า, อ, าอ่าอ่าคิดว่าจะมาเอาหนังสือหรือมาถามปัญหาอะไรอถามได้ถ้าอยากจะถามปัญห า, อ, าอันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยครับถ า, า, ามเยอะมาいいสามวันแล้วครับไม่ร <c oughs> ู้ <c oughs> ก็ต้องฟังบ่อยๆแล้วฟังบ่อยๆแล้วมันก็จะเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับยาใจอยู่ี่าะกมากมว่าตอควมใหามว่าติไปยนเป็นบาิกก็พระพุทธเจ้าก็หนีไปเม้นบาปตรงไหนนี่กินเหลยมันจะหลอกว่าเราเป็นบาปพอไปเที่ยวนี่ไม่บาป ตอนนี้ไปเที่ยวไม่บาปตอนนี้ไปภาวนาบาปขึ้นมาทันทีอมันจะเป็นยังไงกันนะใช่ไหมอ่ากิเลสมันเราเราต่อหน้าต่อตาเนอ่อใช่ไหเออเราโชคดีมีพระพุทธเจ้าทําตัวอย่างให้เราคอยดูแต่เราก็ไม่มองพระพุทธเจ้ากันเอ่า พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องหนีไปถ้าอยู่แล้วท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรครูบ า, าจารย์ถ้าท่านไม่บวชกัท่านจะเป็นครูบ า, าจารย์เป็นที่พึ่งของพวกเราได้อย่างไรนัรรรรร่นกนะ็ต้องดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์สาวกทั้งหลายปฏิบัติอย่างไรถ้าเราปฏิบัติตามท่านมันจะเสียหายตรงไหน อันนี้แต่กิเลสมันไม่ให้เราคิดอย่างนั้นเวลาเราไปเที่ยวนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราไปทิ้งทอดทิ้งไข่ไว้แต่เวลาเราไปภาวนาสักสามวันเจ็ดวันนี่เหมือนกับเราไปทอดทิ้งเขาไว้ใจมันยังพลอระวังเหมือนจะเป็นชุดเจือมันจิตมันคิดอยู่เรื่อยอ่ะก็ต้องต้องพิจารณาเทวทูตสี่อยู่บ่อยๆความแก่ความเจ็บความตาย มีอยู่ในตัวของทุกๆคนตัวเราด้วยตัวคนที่เราไปทุกไปกังวลด้วยทุกยังไ hm. ง, ไ ก, es, งไกังวลยังไงก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้อยู่กันก็กอดกับความแก่ความเจ็บความตายไปด้วยกันไม่ได้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายถ้าต่างคนต่างแยกกันไปภาวนาอันนั่นหละจะได้จะได้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย อย่างหลวงปู่พรมนี่ท่านก็กับภรรยาท่านก็ออกบวชพร้อมๆกันภรรยาก็ไปเป็นแม่ชีท่านก็ไปบวชเป็นพระมีสมบัติเก้าของเงินทองก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านไปหมดนอันนี้แหละแล้วกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุต่อมาท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยพระอาจารย์เปลี่ยนที่อยู่ทางเชียงใหม่เี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พรม กีรปุญโยหลวงปุ่รหมนี่ท่านเป็นคนอุดรธานีตามประวัติที่หลวงตาเขียนไว้ในปฏิปทาบ้า ง, งาอายังไม่ช้าหรอกยังมีลมหายใจอยู่นี่แต่ไม่ช้า <c oughs> ถ้าไม่หายใจเมื่อไหร่นั่นแหละนี่เราสายไปใช่ไหมฮะฮ <c oughs> อะ <c oughs> เราอย่าประมาทตัวเราบารมีของเราอาจจะถูกซ่อนไว้ถูกกิเลส ก, กดไว้ก็ได้พอเราเตะกิเลสตัวนี้ออกไปบารมีของเรามันก็โผล่ขึ้นมาทันทีก็ได้นยังขอให้พวกเราพยายามตัดภล ะ, ะต่างๆที่มันคอยดึงคอยเหนี่ยวรั้งเราไว้ให้พิจารณาว่าทุกคนต้องอยู่ได้ไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ได้เพราะถ้าเกิดเราตายไปวันนี้เขาก็ต้องอยู่ได้ ฉันคิดว่าเวลาเราจากเข้าไปเราไปภาวนานี่ก็เหมือนกับว่าเราตายจากเข้าไปพอไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เขาก็ต้องดินน้นรนเขาก็ต้องต่อสู้ไปตามเรื่องของเขาถ้าเราอยู่เขาขี้เกียจก็เห็นมีคนมามาเลี้ยงดูเขามาอทําอะไรให้กับเขาเขาก็เลยไม่ต้องทําเอง<ำ> <laughs> พอพอไม่มีการทํากับข้าวกากินเดแต่ก็ต้องทําเอง ออาป้าท่านก็ไปสร้างวาดัดไทยแล้วเนี่ยอ่าเหออ ม, าามือนกับหลวงตาท่านก็ดึงแม่ท่านไปบวชไม่มีอะไรดีเท่ากับการไปบวชแล้วสิ่งที่เราจะได้รับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการอยู่เป็นคารวะอยู่เป็นคารวะเราก็จะได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายอย่างเดียวจะไม่ได้อะไร แต่ถ้าเราไปภาวนานี่เราจะได้มากผลผนิพพานแต่ถ้าว่าเราอยู่บ้านเราก็ทำอดทนไปถ้ามีเวลาทาได้ก็ทาไปแต่ว่ายังไม่เกิด ม, ม, มันก็มีเรื่องราวต่างๆมาคอยรบกวนใจเราอลการจะภาวนาให้ได้ผลดีต้องปีกวิเวกต้องอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆ อพออยู่ใกล้แล้วมันอดคิดไม่ได้พอเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้อดห่วงไม่ได้อดกังวลไม่ได้ออแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวนี่ม่เห็นมันไม่ก็เลยมันก็จะไม่มีอะไรมาให้เราคิดให้เราห่วงให้เราห่วงอ่ากออเ เราต้องต้องแยกตัวเราออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆเพราะสิ่งแวดล้อมเดิมๆนี่มันจะดูดให้เราติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆเราต้องออกไปอยู่ที่เงียบสงบห่างกายจากเรื่องราวต่างๆอ่าดี <c oughs> ก็ถือว่ายังมี <c oughs> ยังมีไฟอยู่ในใจยังมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไฟไฟทําอยู่ บางทีบางแผ่นมันก็เสียนะคือเครื่องเครื่องอัดมันบางทีมันเขียนมันมีหลายเครื่องไลเเขาทําทีสิบเครื่องด้วยกันบางทีไฟมันไม่ไปไม่ถึงไม่ทั่วบางแผ่นมันก็อาจจะชํารุดได้ก็ไม่เป็นไรก็มาหาแผ่นใหม่เอเวลามานี่ก็มาเอาแผ่นใหม่ไปเอแต่แผ่นที่สามพอดีหมดไปพอดีคราวนี้มีแต่สองกับสี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันธรรมะก็ซ้ำๆกัน พูดเรื่องเดียวกันแต่มาแต่มาจากคนละมุมมองท่านเองแต่ก็พูดถึงเรื่องเดียวกันเรื่องของวิธีการดับทุกข์ทั้งนั้นธรรมะของพระเจ้าที่ทรงสแสดงไว้แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี้ก็มีเนื้อหาสาระอันเดียวก็ทคือคือวิธีการดับทุกข์นี่แต่ท่านทรงสแสดงให้กับคนต่างฐานะต่างภูมิต่างจิตต่างธรรม ท่านก็เลยต้องแสดงที่เหมาะสมกับผู้ฟังหลายก็สอนให้ให้ชำระกิเลสตัณหาให้ดับความทุกข์ภายในใจกันเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าแผ่นนี้มันเสียก็ฟังแผ่นอื่นก็ได้หรือฟังของหลวงตาก็ได้หลวงตาก็มีแผ่นเยอะแยะนี่หลังเสือที่จากไว้เริ่มเนี้ชุดเตรียมพร้อมนี้ก็มีซีดีอยู่ทั้งสามสี่แผ่นมเออ เออ่ชุนนี้ดีมากเนี่ยเพราะท่านสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อเพื่อความหลุดพ้นจริงๆเลยท่านไม่สอนเรื่องทานเรื่องศีลนะนี่ท่านจะสอนแต่เรื่องภาวนาเป็นหลักเรื่องละเรื่องละตัณหาต่างๆความหลงเรื่องการปล่อยวางร่างกายเพราะผู้ฟังคนนี้เขาเป็นโรคมะเร็ง แล้วรักษาไม่หายแล้วหมอบอกว่าเหลืออีกอย่างมากก็หกเดือนหมอบอกไม่ไม่มียาไม่มีวิธีที่จะรักษาเขาให้หายได้เขาก็เลยมาพึ่งหลวงตาขอให้หลวงตาช่วยสอนให้เขาเาจริญทางด้านจิตใจให้เขามีธรรมะเพื่อที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความตายนี้ให้ได้หลวงตาท่านก็สงสารเมตตา ท่านไปเทศเกือบทุกคืนเลยยกเว้นคืนที่ท่านไม่ว่างเช่นต้องมาเทศสอนพระหรือบางทีท่านมีกิจธุระต้องไปข้างนอกเท่านั้นรู้สึกว่าท่านสแสดงประมาณเก้าสิบกว่าครั้งด้วยกันภายในระยะเวลาสี่เดือนนี่ท่านบอกท่านไม่เคยสแสดงทำแบบนี้ให้กับใครมาก่อนแต่ท่านเห็นความจริงใจของเขา มีความจริงจังที่เขามุ่งมั่นมาหาท่านเป็นที่พึ่งจริงๆท่านก็เลยยอมที่จะให้เขาสอนให้เขาได้มีที่พึ่งแล้วเท่าที่ได้ยินก็คิดว่าเขาก็ได้ได้รับผลจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติเอ็นธรรมะนี่มันเป็นของที่ทุกคน ม, มีมีมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติได้รับผลได้ไม่ว่าจะเป็นใคร เป็นนักบวชหรือเป็นค า, ารวะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็สำคัญขอให้เรามีคนสอนนะแล้วขอให้เรานักคนเรียนตั้งใจเรียนจริงจริ ง, รงตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนโยมก็โชคดีมีพระลูกชายท้าก็ศึกษากับครูบาอาจารย์มาแล้วเออ เอไปดูมันทําไมบ้านมันก็อยู่ของมันอย่างงั้นแหะบ้านมันต้องดูแลเราไม่ใช่เราไปดูแลบ้านบ้านมีไว้หลบแดดหลบฝนไม่ใช่มีมีมาให้เราเฝ้ามันแค่นี้เราไม่ใช้มันแล้วก็ทิ้งมันไป อ, อไปดูแลมันทํางมั พอาจารย์ครับเคยมีโยมก็ฝากถามมาครับว่าอามีพระเนี่ยถ้าไปอยู่อบ้านของคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติได้ไหยครับเหมือนกับว่าเขาเชิญไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเรื่องกระทันเรื่องเรื่องอะไรเรื่อ ง, งเช่นเดินทางไปแล้วไม่มีที่พักต้องพักแรมคืนสองคืนอะไรอย่างนี้ก็พอที่จะอนุโลมผ่อนผันได้ แต่ถ้าโดยวิถีการอยู่ของพระนั้นมีที่อยู่สองที่ก็คืออยู่ตามวัดหรือแม่งก็ไปอยู่ตามป่าอย่าไปอยู่ที่บ้านเขาไปปักโปรดอยู่ที่ในทุ่งดีกว่าไปอยู่เพราะพระต้องไม่อยู่กับผู้ครองเรือนเพราะผู้ครองเรือนนี้เขามีเรื่องที่จะทําให้พระผิดศีลด้เยอะมีทีวีมีเครื่องบันเทิงต่างๆมีขนมนมเนยมีเด็กมีหญิงมีอะไร เนี่ยที่มันจะทําที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่ อ, อนักบวชนะถ้าเป็นนักบวชจริงๆแล้วจะไม่อยู่นอกจากมันกรณีฉุกเฉินเดินทางเดินทางมืดค่ําไม่มีที่ไปที่ไหนก็เอานี ม, มนให้พักคืนหนึ่งจัดที่แยกออกจากคารวะเป็นสัตว์เป็นส่วนก็พอพักได้ก็พักไปนแต่ไม่ใช่อยู่เป็นเดือนเป็นปีไปเลยบางคน บวชแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเพราะพ่อแม่ไม่สบายก็เลยไปดูดูแลพ่อแม่ที่บ้านจะไปดูแลอะไรเป็นพระต้องเป็นหมอสิถ้าจะไปดูแลใช่หไหมเออแต่อย่างถ้าถ้า ม, มาแบบบ้านอยู่ก็พักได้ใ่ไหมครับให้ท่านไปพักวัดดีกว่าเออหรือหาหาห า, หาสนามหญ้าให้นั่นปากกดอยู่ข้างนอกสนามหญ้าดีกว่า ก็คือไม่ว่าจะเป็นญาตหรือไม่ใช่ญาต ก, ก็ไม่คว ร, ควรนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆช่วงครั้งช่วงเกา่าพักแรมคืนหนึ่งอะไรอย่างนี้ในปัจจุบันครับพระอาจารย์มีชาวพุทธจำนวนมากครับที่มีความคิดว่าตนเองเคยประพฤติผิดเคยทำผิดเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีในอดีตมาเนี่ยแล้วพอมาถึงปัจจุบันเนี่ย เมื่อมีคนมาชวนหรือตอนเองอยากจะทําก็ตามมักจะมีความคิดว่าเราไม่สามารถปฏิบัติทําได้เพราะในอดีตเราเคยเป็นคนชั่วมาก่อนทํำยังไงก็คงไม่สามารถปฏิบัติทําได้อย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะมีตัวอย่างในอดีตยอยู่แล้วเนี่ยองค์กุลิมานก้าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนทางที่ถูกองค์กุลิมาก็กลับใจได้กลับมาปฏิบัติทําได้ หยุดการฆ่าคนอื่นได้ดงนั้นแม้ว่าเราจะทำบาปพวกเราทุกคนทาเคยทำบาป ท, ทำกรรมกันมาทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านก็เคยทำบาป ท, ทำกรรมกันมาทั้งนั้นแต่พอท่านได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับทางที่จะพาให้ไปสู่การสิ้นสุดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านก็ไปเลยไม่มีอะไรมายับยั้งได้นอกจากความเกียรติค้านหรือ กลตัญหาที่มันคอยหลอกคอยดึงเราไว้ท่นเองดังนั้นอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตนะเราสามารถทำสิ่งต่างๆใหม่ได้ในปัจจุบันแต่อาจจะจริงอยู่ว่าถ้าเคยทำบาปมามากอาจจะทำความดีได้ยากอย่างที่มีคำพูดว่าคนคนคนดีทำทาบาปได้ยากคนชั่วทำทาดีได้ยากก็เพราะว่ามันเป็นนิสัย คนที่เคยทำชั่วมามันก็ติดเป็นนิสัยเช่นเคยกินเหล้ามาเป็นประจำจะให้เลิกกินเหล้ามันก็เลิกยากแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยทําได้เพียงแต่ว่าต้องฝืนต้องบังคับต้องทนเพราะเวลาอดเหล้านี่มันทรมานใจแต่ถ้าทนไปแล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะคลายไปมันก็จะหมดไปเอ เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะยากหรือง่ายเท่านั้นเองท่านถึงบอกว่าผู้ที่ได้ทําบุญมาในอดีตบุญที่ผู้ที่ได้ทําบุญมาอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งคือเมื่อเราได้ทําบุญมาแล้วพอเรามาจะมาทําบุญต่อมันก็ง่ายเคยทําทานมาแล้วพอมาทําทานต่อมันก็ง่ายคนที่ไม่เคยทําทานนี้พอมาทําทานแล้วมันยากมันจะมีเหตุมีผลมาอ้างอยู่เรื่อยๆว่า ไม่พร้อมไม่พอคนรับเขามีอยู่แล้วไม่ต้องให้เขาก็ได้คิดไปต่างๆนานามันก็เลยยากเหมือนกับเราเปลี่ยนมือซ้ายมาใช้มือขวาหรือมือขวาไปใช้มือซ้ายถ้าเราถนัดขวาแล้วเราต้องต้องเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายมันก็จะยากเพราะเราไม่เคยใช้มันแต่ถ้ามือขวามันเสียเราก็ต้องหัดใช้มันไป เมื่อใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดขึ้นมาเองงนั้นไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ไม่ว่าในอดีตที่เราผ่านมานี่เราเคยทำบาป ท, ทำกรรมมามากมายกายกองขนาดไหนก็ตามแม้แต่เช่นพระองค์โคลิมาท่านก็ฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนท่านยังมาปฏิบัติธรรมบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ังนั้นขอให้เราศึกษาพุทธประวัติ สาวกประวัติไว้บ่อยๆแล้วเราจะได้คติเราจะได้แบบฉบับที่หลวงตาท่านเขียนประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆก็เพื่อให้เป็นคติสอนใจพวกเราให้เห็นตัวอย่างของบุคคลต่างๆว่าแต่ละบุคคล น, นี้ก็มีความเป็นไปเป็นมาไม่เหมือนกันแต่พอได้เข้าสู่ธรรมแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้ ต่างกันตรงที่ยากหรือง่ายช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้ามีครูบาจารย์ก็มีความแน่วแน่มีความตั้งใจต่อการปฏิบัตินี้รับรองว่าจะต้องได้ผลแน่ๆอย่าให้ความคิดอย่างอื่นมาหลอกเราอาจรรับผมสนใจในเรื่องของอสังโยชน์มันมีข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องอสีลัพพตตปา마 ก, ก็คือ ที่ว่าไม่ให้สนใจเรื่องพิธีกรรมงมงายผมสงสัยว่าที่ไม่ให้สนใจเนี่ยคือเราเราไม่ต้องไปสนใจมันก่อนแล้วเราจะจะฟ้นสัมยุตข้อนี้ไปหรือว่าเราปฏิบัติภาวนาจนจ น, จนถึงขั้นโสดาบันแล้วเเราจะเลิกสนใจไปเองอเราต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราแล้วถ้าเราอยากจะแก้ความไม่สบายใจเราก็ต้องมาหยุดความอยากของเรา แต่คนที่เขาไม่รู้ความจริงอันนี้เวลาเขาไม่สบายใจเขาก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆเวลาไม่สบายใจเพราะกิจการมันไม่เจริญก้าวหน้าก็ไปหาหมอดูบ้างไปหาสิลแสบ้างอันนี้ก็เรียกว่าศีลรัปตคือไม่เห็นต้นเหตุของความไม่สบายใจว่าอยู่ที่ความอยากของเราแล้วก็ไม่มีปัญญาที่เห็นความจริงของโลกว่ามีเจริญต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดา ทำมาค้าขายบางทีก็เจริญบางทีก็เจ๊งได้เจ้งก็เจ๊งไปถ้ามันจะเจ้งเราไปห้ามมันได้ที่ไหนใช่ไหมถ้าเรายอมรับความจริงก็ไม่ต้องไปหาสินแสไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะอะไรต่างๆคนที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรดสะเดาะเคราะก็เขาไม่รู้ความจริงว่าความไม่สบายใจของเขาเกิดจากความอยากของเขาเอง ถ้าเขาไม่มีความอยากให้ให้ไม่เสื่อมเขาก็ไม่เดือดร้อนเสื่อมก็เสื่อมสิเขามีปัญญาก็ เ, าเห็นว่าโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มีเจริญมีเสื่อมมีขึ้นมีลงแต่พวกคนที่ไม่รู้ก็อยากจะให้มันขึ้นอย่างเดียวให้มันเจริญอย่างเดียวพอมันเสื่อมก็ไม่สบายใจพอไม่สบายใจก็ต้องไปหาหมอดูไปหาหมอผีสมัยโบราณก็ไปหาหมอผีหมอผีก็บอกไปเอาแกะมาฆ่าสักตวัวไปบูชายัน พระเจ้าโกรธพวกเราพวกเราทำไม่ดีกันอนนี้เป็นเป็นเรื่องของศีลรัปธาปรามาคือถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีเรื่องวิจิตกิจฉาก็จะหายไปศีลรัปธาก็หายไปอ่สักกายะนสักกายะทิฐินี่ก็จะหายไปสามข้อนี้มันอยู่ที่การมีดวงตาเห็นธรรมอย่างที่พระอัญญาณโกณฑัญญาบอกว่าโอ้มีเจริญต้องมีเสื่อมเนาะอา ตอนนั้นเองยอมรับความเสื่อมพวกที่ไม่สบายใจเพราะไม่ยอมรับความเสื่อมอยากจะให้ชีวิตมีแต่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดพอไปเจอวันพอไปเจอเรื่องราวที่กระทบทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นมาก็วุ่นวายใจก็ต้องหาทำบางตัวก็อาจจะทาเองทาไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษากับคนที่รู้คนที่ไม่รู้ก็คนหนงเท่านั้น ก็พาไปหาหมอดูบ้างพาไปหาศินแสบ้างแล้วแต่เขาจะรู้จักวิธีทางไหนเขาก็จะพาไปทางนั้นถ้าไปเจอคนที่เขาพาไปหาพระได้ก็โชคดีไปถ้าไปหาพระแล้วท่านสอนว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างมีเกิดมีดับอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมเลยเสื่อมก็อยู่กับมันไปในที่สุดก็ตาจากมันไปอยู่ดี มีมากมีน้อยถึงเวลาก็ตายจากกันไปถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะทําใจได้ทําใจให้สงบหายความไม่สบายใจมันก็หายไปแล้วพิธีกรรมต่างๆนะครับอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อความสบายใจของคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยเราก็ทาศักด์แต่ว่าทำแต่เราไม่ได้มี ความยึดติดหรือไปสนใจในสิ่งนั้นจริงๆอย่างนี้ครับอาจารย์จะมีสิ่งเดียวที่ยังคงทําอยู่ก็คือไหว้พระสวดมนต์ที่เป็นพิธีกรรมนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือไม่ไม่สนใจแล้วความรจริงไหากไหว้วววพระสวดมนต์นี่ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมมันเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการทําสมาธิเวลาเราสวดมนต์ใจของเราก็จะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องราบเรื่องยศเรื่องราวต่างๆ พอใจเราอยู่กับบทสวดมนต์ไปนานๆใจก็เย็นใจจะสงบเป็นสมาธิได้อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมแต่เรียกการเป็นเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเพราะคนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นนี้ยังไม่สามารถที่จะนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธทได้ก็เลยต้องอาศัยการสวดมนต์ไปพังๆก่อนเพื่อที่จะดึงใจให้ออกจากเรื่องราวต่างๆ พอสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วพอลืมเรื่องราวต่างๆแล้วทีนี้จะนั่งดูลมต่อก็จะดูได้จะบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็จะทำได้นมันก็เป็นขั้นตอนของการภาวนาแต่พิธีกรรมมันก็มีเพียงแต่ว่าเราขอให้เรารู้ว่ามันเป็นพิธีกรรมนะนะอย่างญาติโยมมาทาบุญที่วัดก็ยังมีพิธีกรรมกันเนียมีการกล่าวคำถวายสังฆทานเอันนี้มีการขอสีนขออะไรกันอันนี้ก็เป็นพิธีกรรม แต่บางอย่างมันก็เป็นเป็นการเรียนรู้เป็นการสั่งสอนเช่นการขอศีลนี่มันก็เป็นการมาเรียนรู้คือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรก็ต้องมาขอให้พระสอนเนี่ยการที่เราสมาทานศีลนี่ก็คือขอให้พระสอนบอกเราว่าศีลห้ามีอะไรบ้างแต่ก็ว่าไปตามภาษาบาลี นพิธีกรรมบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของการทำอะไรให้มันเป็นเป็นกิจลักษณะเช่นเวลาพิธีการบูอุปสมบทนีมันก็เป็นเรื่องจาเป็นการที่เราจะจับคนธรรมดาคารวะมาเป็นพระนี่มันก็ต้องมีขั้นตอนจะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมก็ได้แต่ความจริงมันเป็นขั้นตอนเป็นกฎเป็นระเบียบคนที่จะมาบวชนี่ก่อนที่จะมาบวชก็ต้อง ถามเขาก่อนว่าเขามีามีปัญหาอะไรต่างๆหรือเปล่าเช่นเขาเป็นทาสหรือเปล่าเขาได้รับอนุ ญ, ญาตจากอาบิดามารดาหรือเปล่าถ้าเป็นข้าราชการพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินอนุ ญ, ญาตมาให้บวชหรือเปล่ามีโรคติดต่อหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นมนุษย์หรือเปล่าเราได้ทราบว่าสมัยในอดีตมีมีเขา ม, ม, ม, มีมีอะไรนี่ มีนาค อ, ะ, อะมีนาคมาปลอมเป็นมนุษย์มาบวชมันมีข้อหนึ่งครับที่เขาถามมาในธรรมะบนเขาเมื่อวานนี้ครับคุณหนุ่มนะครับเขาถามว่าทำไมถึงมีการบอกว่าทำดีตายไปได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกดีกับชั่วนี่มันยังไงสวรรค์นรกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด เกิดจากอะไรแล้วมีพัฒนาการมาอย่างไรจบจนถึงปัจจุบันก็มันเป็นความจริงไงนรกสวรรค์นี่ก็คือผลที่เกิดจากการทําบุญทําบาปนี่แต่เรายังไม่เข้าใจคําว่านรกสวรรค์เราไปคิดว่ามันเป็นสถานที่เป็นเหมือนเชียงใหม่เป็นเหมือนกรุงเทพแต่ความจริงมันเป็นความรู้สึกภายในใจของเราเวลาเราทําบาปใจเราร้อนใจเราทุกข์นั่นก็เป็นนรกครับ เวลาเราทำบุญใจเราเย็นใจเราสบายเวลานั้นมันก็เป็นสวรรค์สวรรค์ในอกนโลกในใจมันอยู่ที่ในใจของพวกเราเกิดจากการกระทำของเรานี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนี่ไงทำดีได้ดีก็คือทำบุญแล้วก็จะได้สวรรค์ทำดีแล้วก็จะได้ความสุขใจสบายใจอย่างวันนี้มาทำดีกันมาทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วก็ใจเย็นใจสงบใจสบาย อันนี้ก็เป็นสวรรค์เพียงแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ชั่วคราวพอเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปดื่มสุราคืนนี้จัดงานเลี้ยงกันมันก็กลายเป็นนรกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันสลับไปสลับมาเราขึ้นขึ้นลงลงระหว่งางนรกกับสวรรค์อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะสะสมไว้ในใจของเราพอเวลาที่เราจะตายนารกกับสวรรค์มันก็จะมาคิดบัญชีกันใครมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางนั้น ถ้าสวรรค์มีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้านารกมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปนรกก็คือถ้าบุญทําบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงมีกำลังมากที่จะดึงใจให้ไปสวรรค์ถ้าทำบาปมากกว่าบุญมันก็จะดึงให้ไปนรกไปอบายถ้าบุญก e. ับบาปมันเท่ากันมันมีกำลังเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยมันเรื่องของกฎแห่งกรรมมันเป็นตรงเนี้ย มันมาแย่งตัวจิตของเราจิตของเรานี่ม่เป็นเหมือนกับเกวีนเกวีนแต่มีคนลากอยู่สองสองสองด้านมีเกวียนได้มีคนหนึ่งด้านลากทางด้านหน้า อ, อีกพวกหนึ่งลากทางด้านหลังมันแล้วแต่ว่าด้านด้านไหนฝ่ายใดมีกำลังมากกว่าฝ่ายหน้ามีกำลังมากกว่ามันก็ดึงไปข้างหน้าฝ่ายหลังมีกำลังมากกว่ามันก็ดึงไปข้างหลัง พระเจ้าถึงสอนให้เราทําบุญละบาปไงเพื่อเราจะได้ไม่มีบาปมาดึงเราไปอบายมีแต่บุญดึงเราไปสวรรค์แล้วถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดเราก็ต้องชําระใจให้สะอาดกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการที่จะทําให้เรากลับมาเกิดแต่ถ้าเราพอใจกับการทําบุญละบาปเราก็จะทุกภพทุกชาติเราก็ตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ พอลงมาจากสวรรค์เราก็มาทําบุญละบาปใหม่แล้วก็ก็กลับขึ้นไปสวรรค์ใหม่แต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเบื่อกับการขึ้นๆลงๆกลับมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องภาวนาะต้องชําระใจให้สะอาดกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะดึงให้เรากลับมากลับมาเกิดใหม่ แล้วในภพของมนุษย์ครับพระอาจารย์มนุษย์เนี่ยสเสวยทั้งทุกข์และสุขแต่ถ้าในภพของสวรรค์เทพเนี่ยอสุขและจะมีทุกข์ในขนาดเดียวกันหรือเปล่าครับพระอาจารย์ทุกข์ก็จะไม่มีจะมีก็เฉพาะตอนที่ช่วงมันหมดบุญเท่านั้นเองเวลาเทวดาตกตกลงจากสวรรค์ลงมาเท่านั้นเองแต่มันมันเป็นที่ไปรับผลบุญไง เทวสวรรค์นรกนี่เป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปส่วนที่นรกในภพของมนุษย์นี่เป็นที่สร้างสร้างบุญสร้างบาป ก, กันแล้วก็รับรับผลของบุญของบาปไปด้วยเหมือนกันเป็นปนรกเป็นมนุษย์นี่บางทีก็ไปเจอบาปเก่ากรรมเก่ามาอย่างพระพุทธเจ้าก็มีเทวทัตมาคอยรังควานอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของบาปเก่าเรื่องของเวรเก่า เนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามพวกเราทุกคนทำบาปทำกรรมทำบุญทำบาปกันมามากฉะนั้นขอให้เรายึดหลักที่พระเจ้าทรงสอนคือให้ทำใจเราเป็นอุเบกขาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นวิธีที่จะรับกับวิบากกรรมที่ดีที่สุดที่สบายที่สุดก็คือวางเฉย ทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่มีกา ร, การตอบโต้กับพระเทวทัตเลยพระเทวทัตจะพยายามปลงพระชนถึงสามครั้งพระองค์ก็ไม่เคยตอบโต้ด้วยวิธีการใดมีแต่ใช้ธรรมะใช้อุเบกขาใช้เมตตาเป็นวิธีที่เราจะได้ไม่ไปต่อเวรต่อกำไงถ้าเ็าําเราแล้วเราก็กลับไปทำเขาต่องเงี้ยมันก็มันก็หนีมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดกัน ผัดกันฆ่ากันเขาฆ่าเราแล้วเดี๋ยวเราก็ตามไปฆ่าเขาเขาเราฆ่าเขาแล้วเขากลับมาเกิดใหม่เขาก็ตามมาฆ่าเราอีกตามคนไปตามกันมาอย่างนี้ทุกภพทุกชาติเวลาถ้าเจอกันเมื่อไหร่ก็จะจะมีการร่างแค้นกันเสมอเน้นปล่อยให้เขาทําให้พอใจคิดว่าอย่างพระโมคคลาท่านก็บอกท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านก็บอกว่าท่านทําบาตรจำกรรมกับคนนี้ไว้ถึงเวลาเขาจะมาฆ่าท่านท่านก็ไม่ใช้อิทธิฤทธิ เพื่อที่จะปกป้องรักษาชีวิตของท่านเพราะท่านว่าถ้าถ้าถ้าหนีไปวันนี้เลยบ้องกันวันนี้เดี๋ยวพวกนี้เ็ากลับมาใหม่เพราะความโกรธอาฆาตพยาบาทของเขาจะไม่หมดจต่บทต่อเมื่อเขาได้ทำตามที่เขาอยากจะทำนั่นเองงนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปก็ให้คิดว่ามันก็แค่ตายซึ่งจะมีเวรมีกรรมมีบาปหรือมีบุญหรือไม่มันถึงเวลาก็ตายเหมือนกัน คิดแค่นั้นแล้วก็จะได้สบายใจและการตายก็ไม่ใช่เป็นตัวเราตายสิ่งที่ตายก็เป็นร่างกายที่เราใช้อาศัยเป็นเครื่องมือทํานูน่ทนทํานี่แต่ถ้าเรามีความสงบในความสุขภายในใจแล้วเราไม่มีร่างกายนี้เราก็ไม่เดือดร้อนมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรฉั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจให้ได้เถิด พอเรามีความสุขไปในใจแล้วทีนี้เราก็จะไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ <c oughs> เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราใ น, นเวลาเราจะสูญเสียอะไรไปเราจะรู้สึกเฉยๆจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาเราจะถูกวิบากกรรมมากระทบกับเราเราก็จะไม่วุ่นวายใจเพราะเราไม่เดือดร้อนวิบากมันมาได้แค่แค่ถึงแค่ร่างกายนะมันเข้าไปในใจเราไม่ได้ เพราะเรามีโอเบกขาป้องกันเอาไว้แต่ถ้าเราไม่มีโอเบกขานี่เราเหมือนกับเปิดประตูรับเต็มที่เลยเวลาใครด่า ก, ก็โกรธเต็มที่เลยเวลาใครชมก็ดีใจเต็มที่เลยเวลาได้อะไรมาก็ดีอกดีใจเวลาเสียอะไรไปก็เสียอกเสียใจจนบางทีเป็นบ้าไปเลยนี่แหละเพราะเราไม่มีโอเบกขา อุเบกขาก็เกิดจากการฝึกดั้งสมาธินี่เองแล้วก็การเจริญปัญญาสมาธิก็ให้มีอุเบกขาได้ขณะที่อยู่ในสมาธิถ้าอยากจะมีอุเบกขาถาวร อ, ออกหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าเป็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดแล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวาย หากมองทุกอย่างเป็นใจลักทธิพระอาจารย์สภาวะธรรมเกิดขึ้นได้อ่าทุกการกระทําในชีวิตประจําวันเลยครับพระอาจารย์ใช่นั่นแหะคือปัญญา <c oughs> ถ้ามองไม่เห็นปั๊บมันก็จะถูกความหลงหลอก ท, ทันทีหลอกให้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าไม่หลง ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาตามเหตุตามปัจจัยเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามเขาได้ก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอย่างมากก็แค่ตายคิดแค่นี้ก็จบตายด้วยกันทุกคนตายอย่างสบายหรือตายอย่างทุกถ้าตายอย่างสบายก็ต้องมีอุบเบกขาต้องมีปัญญา มีสมาธิอืมนั้นพยายามฝึกสมาธิปัญญาให้มากๆสลับกันนั่งสมาธิพอออกมาก็พิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็ว่าเป็นตายรักไปหมดเห็นรูปก็เป็นตายรักได้ยินเสียงก็เป็นตายรักเนี่ยมันมาแป๊บมันก็ผ่านไปแล้ได้ยินเสียงปป๊บมันก็ดับไปแล้วคนทําอะไรทําเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่เราไม่เราไ ม, เาไม่เราไม่นิ่งใจเราไปดึงมันกลับมา ใครก็ทําอะไรเราไม่ชอบใจก็ดึงกลับมาชอบใจก็ดึงกลับม า, างั้ต้องไหวถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเราจะอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเสียงมาปั๊บก็ไปแล้วรูปมาปั๊บก็ไปแล้วแล้วเราไม่ตามไปเพราะเราถูกสมาธิดึงไว้ให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาก็สบายใครพูดอะไรด่าเสร็จแล้วก็จบแล้ว ผ่านไปแล้วจำไม่ได้แล้วบางที <laughs> เราไม่รับที่อยาก <อ là, S 2> <laughs> เราชอบ <laughs> เอามาเอามาเปิดเหมือนกับอัดเทปไว้แล้วก็มาเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ําอีกอยาก่างนีอ้ า, าอย่างท่านผู้ดวงถ้าเราขบับรถมาเห็นท่านเดินทู้ดวงมาอย่างนี้เราจะรับท่านผู้ดวงก็ถ้ท่านเดินไปเสรท่านต้องการจะเดินนีไปร <laughs> ับท่านถูกไหมเออ ไม่ทุดดงก็เพื่อจะเดินจงกลมไงเงั้ยไหมไม่ต้องไปรับท่านหรอกถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ยิ่งไม่ควรใหญ่ถ้าจะรับก็ต้องมีผู้ชายอไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นอันตรายกับเราถ้าไปเจอผ้าปลอม ทำไมนี่มันเออไม่ต้องดำเหรอต้องเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรถ้าเรารู้ว่าเป็นผ้าแท้ก็ไปอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอา่ออย่างนักนักเรียนมาย่าเขาบอกว่เป็นนักไม่ได้เขาอย่างกากระทางไม่ได้บวกเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่เออเออ เคยรับมาครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นพระปรอมหรือไม่ครับแต่ว่าพยายามพูดโน้มน้าวให้เราเนี่ยทําบุญเราก็เลยรู้เลยนะครับหลวงพี่ครับส่งแค่นี้แล้วกันะ ค, ะครับนีรู้รู้ไม่เป็นไรเรถาถ้าท่านเป็นพระจริงท่านไม่เดือดร้อนอ่ะท่านก็เดินของท่านไป ถ้าจริงท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผลนั่นแหละบางทีท่านต้องทดสอบความเพียรของท่านเนี่ยทดสอบความขันติความอดทนของท่านฝ่ายท่านไปแหละเออไปรับไปท่านไปทำให้ท่านไม่ได้ทำความเพียรเนี่ยใช่ไ <_ c oughs> หมเอมอ <_ c oughs> ท่านต้องการพอพิจารณาทุกเวทนาแล้วกลับไปรับท่านเข้าไปนั่งรดแอร์ใช่ไ <laughs> ทุกเวทนามันก็ไม่ได้พิ จ, จารณาเลยแล้วอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งจะมาอย่างถึงว่าท่านมามาเดินทุดงมาทุดงแต่ว่าเราก็ได้ใส่บาตรไปแล้วอเราจะใส่บาตรอาหารใช่ไหมใช่ไหม <laughs> แต่ท่านก็รับไปแล้วแต่ยังขอบินจบาตปตัดใจนั่นแหละนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละ ก็ผิดวินัยแล้วไม่ต้องให้เพราะว่าพระขอไม่ได้นอกจากญาติหรือคนที่ปาวานาตัวเท่านั้นถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยไปขอกันุมสี่สมห้าขอกันไม่ได้ถ้าพระแท้ไม่ขออ้าพระแล <c oughs> ้ไม <c oughs> ่ขอ เรื่องจิตใจนี่ดูกันยากเนี่ยก็จะรู้ใจคนนี้ต้องอยู่ใกล้กันถึงจะเห็นถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรถ้าการเห็นงานแบบผิวเผินนี่ก็อย่าพึ่งไปเ อ, อให้ความไว้ใจ เ, เพราะสมัยนี้มันมีพวกมิจฉาชีพเยอะมากมีเขาเล่าว่าก็เอาผ้าเหลืองมาห่มไปบินตบาดพอ ก, กลับมาได้ของมาก็นั่งกินเหล้ากัน นั่งเล่นไพกันไปเช่าห้องพักห้องแถวอยู่ครับเออเด่กก็ไปเป็นพระปองไรแตงแล้วก็เออไปอยู่บางทีไปเช่าคอนโดแล้วก็ไปแจกผ้าแจากน้ำมนต์สวดเสดอะไรพวกชนซินข้าปปูเขาก็ชอบของพวกนี้อเออ นั่นแหละ ก, ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าญาติโยมไม่ได้สนใจที่จะศึกษาว่าพระจริงเป็นยังไงพระปอมเป็นยังไงกัน ไ, ไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยดูพระไม่เป็นเหมือนคนที่ทำซื้อเพชรเนี่ยแต่ไม่ไปศึกษาว่าเพชรปอมเพชรจริงเป็นยังไงก็เลยซื้อแต่เพชรปอรมขาดทุนเจ๊ง คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วนะขอให้นมเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังใบปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด